พระธรรมาเทศนาแผ่นที่103าลำดับที่16โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธา น, ธานีแสดงธรรมในวันที่14พฤศจิกายน2559มีชื่อเรื่องว่าสะสมเพื่อรู้รู้แล้วปล่อยวางวันนี้เป็นวันที่ส4 พฤศจิกายนพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันพระแรม15คอ่อขึ้น15ค่าเป็นเดือน12เพ่ น, นะวันนี้นะคณะทัทธาญาติโยมเป็นวันลอยกระทงเป็นวันสำคัญยิ่งกับสำหรับประเทศชาตินะ แต่ก็ไม่ใช่สำคัญในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญที่ว่าพวกเราให้ความสำคัญเป็นวันลอยกระทงเป็นบูชาฟ้าดินลักษณะอย่งางนั้นแต่ถึงว่าเป็นวันสิ้นปีเป็นวันหมดเขตฤดูฝนในวันนี้นะเป็นวันหมดเขตกระถินอีกมื่อเช้าก็มีพี่น้องประชาชน เข้ามารักษาศีลตอนบ่ายก็มีพระสงฆ์ก็ลงโบสดตอนเย็นนี่ก็มีการไหว้พระสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์ก็จบลงสิเสร็จสิ้นลงแล้วต่อนนี้ไปก็หลวงพ่อจะได้กล่าวปาลบเรื่องธรรมคงจะไม่ได้กล่าวมากวันนี้ เพราะว่างานการงานของหลวงพ่อนักพอจงกวนแต่ที่งยังไงจะให้พวกเราได้ฟัง M.P. 3ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาเพื่อจะให้พวกเราได้ฟังบ้างเป็นเรื่องการทบทวนอีกส่วนหนึ่งหลวงพ่อพูดมาแล้วเป็นยังไงที่พูดมาแล้วนะอยู่ใน M.P. 3 หลวงพ่อเคคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้เพราะว่ามีแนวความคิดมากหลากหลายที่หลวงพ่อดพูดได้อัดไว้เพื่อเป็นการแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราท่านทั้งหลายสรุปแล้วก็คือให้เป็นคนดีให้พระที่ดีให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท จุดนี้จะได้ยินบ่อยๆเพราะเหตุไรเพราะว่าพวกเราเนี่ยในอดีตชาติก็คงจะประมาทเล่นเล่อพอแรงนะไม่ได้ใส่ใจ เ, เกิดมาพบได้พบพระพุทธศาสนาหรือไม่ได้พบพระพุทธศาสนาพวกเราก็ลอยละล่องมาถึงจุดนี้ในเมื่อมาถึงจุดนี้แล้ว่ะอพวกเรายังประมาท เล่อลืมตัวไปอีกก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้ยินได้ฟังหลักธรรมคาสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราก็ควรจะสํานึกย้อนกลับมาหาตนเองจากน้องกอดลงมือประพฤติปฏิบัติรำจริงจังด้วยความจริงจังจริงใจ ผลก็จะได้งอกเงยขึ้นมาในจิตใจของพวกเราเป็นอุปนิสัยอย่างน้อยเป็นอุปนิสัยทำมากก็พร้อมที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกได้หรือว่าพยายามทำให้มากมันก็เป็นการสังสมพลิมีเต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆถ้าว่าไม่พ้นทุกในภพบนชาตินี้ ต่อไปภายภาคหน้าได้เจอพระพุทธเจ้าพระอศิริยะหรือว่าพระหารกษัตวกที่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมท่านก็จะได้แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวอยังไม่พ้นทุกเอกเราก็เบาบางไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดเมื่อเราได้เกิดมาได้ฟังพระธรรมคำสอนก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลอย่าง อุบาสกอุบาสิกาหรือพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลในครั้งพระพุทธเจ้าของเราทํำไมเราเราก็ได้ยินเอ๊ะทำไมพระสงฆ์ในยุคนั้นสมัยนั้นในครั้งพุทธเจ้าทำไมฟังเทศและได้สําเร็จพระหันเป็นร้อยเป็นพันอไม่รู้กี่องค์ตกกี่องค์ใน พ, พุทธบริษัททําไมนี่แหละกระเพาะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายนี่น่ะพวกเราทุกวันนี่แหละเราก็บําเพ็ญ คุณงามความดีบําเพ็ญศีลทานศีลภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องจิตภาวนาเราบำเพ็ญไปเรื่อยบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของเราค่อยเต็มตื้นขึ้นเรื่อยๆพอได้เราได้พบบัณฑิตนักปราชญ์พบพระพุทธเจ้าท่านเปิดประเด็นให้เท่านั้นละ่ะเพราะเราได้ศึกษามาแล้วเราได้ภาวนามาก่อนแล้ว อุปนิสัยของเรามีอยู่แล้วนะเบาบางอยู่แล้แลวนะเมื่อเราได้ยินได้ฟังเราก็ได้บรรลุสำเร็จมรรคสำเร็จผลในศาสนาของพระพุทธเจ้าในอนาคตอันนี้พวกเราอย่าหวังถึงขนาดนั้นเถอะนะถ้าพวกเราพอที่จะพ้นทุกข์ได้ก็ไม่ควรจะเวียนไหวาตายเกิดเพราะว่ามันไม่ใช่ของสนุกการเวียนไห้าตายเกิด ใช่เรากินข้าวอร่อยนอนหลับเราก็มีความสุขขึ้นมาบ้างแต่ว่าความสุขทุกขึ้นมาในอนาคตที่ใกล้ๆเยมันไม่ใช่ของธรรมดาอย่างหลวงพ่อทุกวันนี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อเนเอื้อมละอาในการเป็นอยู่ของตนเองขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันพอเร า, าเดินไปมันไม่น่าจะเหนื่อยมันก็เหนื่อย พอเดินไปแล้วก็โอ้ทอําไมอร่างกายเราทอดถอยถึงขนาดนี้เหลยเนี่ยเห็นได้ชัดแล้วอายุถึงขนาดนี้เพราะต่อไปขนาดไหนเข้าไปสู่หลักประหารไปเรื่อยๆอมันไม่มีต่อไปก็ถึงจุดจบของชีวิตนี่แหละชีวิตของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเกิดมาพบนาชาติหนาพบใดชาติใดแก่เจ็บตายก็คอย พวกเราอยู่เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะควรจะขนขวายประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไม่ใช่คำหลวงพ่อนะหลวงพ่อเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาว่ากล่าวตักเตือนย้ำเตือนพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อเราได้ยินพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็นะอได้ยินแล้วก็หยาฟังแต่สักพ้าฟังเมื่อฟังแล้วก็นําไปกันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลอีกจริงไหอไม่ไม่จริงได้ยังไงเพราะเอาความจริงมาพูดมาเล่าสู่กันฟังอไม่ได้ต้มตุนหลอกลวงไม่ได้มุ่งหวังอะไรทั้งหมดมีแต่ว่าบอกให้ฟังเป็นอย่างนี้นะพวกเรานะ อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะให้ประกอบคุณงามความดีนะอ่านี่ประกอบคุณงามความดีทำอย่างไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดไดก้กล่าวให้ฟังอ่ามีการประกอบคุณงามความดีให้ท่านรักษาศีลภาวนาเป็นคนดีเป็นสัมมาทิฏฐิไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมพยายามทำจิตใจให้ เป็นคนดีตามแนวแถวของพุท ธ, ธะที่ท่านได้วางเอาไว้เพราะเราจะคิดเอาเองคงจะคิดไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาที่จะคิดได้ถึงขนาดนั้นเพราะนั้นเราก็ต้องอาศัยหลักธรรมคาสอนของพุท ธ, ธะเป็นผู้นำท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรเราก็นํามานําฟังศึกษาแล้วก็นำมาประพฤติปฏิบัติคิดไตรตรอง ตามแนวแถวที่ท่านแนะนําสั่งสอนคิดอย่างนี้นะเป็นสัมมาทิฏฐิคิดอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนี้คือชั่วอันนี้คิดดีอันนี้ทําดีอันนี้ทําชั่วอันนี้พูดดีอันนี้พูดชั่วนันก็บอกพวกเราก็ได้ฟังมาจุดมากมายพอจะดูได้รับสังเกตได้แล้วพเพราะเลือกสรรได้แล้วนะพอเราเข้ามาศึกษาธรรมะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วอย่าไปอย่าไปกล่าว อย่าไปถอยหลังอย่าไปทำสิ่งที่มันไม่ดีเมื่อเรารู้แล้วนะก็ยศพยายามปิดในสิ่งที่มันชั่วนะั้นพยายามผันหน้าต่อคุณงามความดีพยายามสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราเนะห้ภาวนาเนี่แหละภาวนาเนี่ยแหละเป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจนะนะั่นแหละเรื่องภาวนาเรื่องสมาธิเนี่ยแหละ เรื่องสมาธิจะทํำยังไงจิตใจของเราจะเข้าสู่ความสงบเมื่อถึงจิตใจเข้าสู่ความสงบเดินวิปัสสนาปัญญาการกรองไตรตองเหตุและผลจากนั้นก็ดูใจของเราใจของเรานะเป็นรุ่มรุ่มหลงมัวเมากับเรื่องราวต่างๆใช้สติใช้ปัญญาเข้ามาสู่ใ จ, ใจิตใจจากนั้นก็มาัาดูสมาธิปัญญา หมุนเข้ามาสู่จิตใจมองใจของตัวเองมันหลงอะไรมันคิดร่มหลงอะไรใจของเรามันมองถึงใจพอมองถึงใจมันยังนั้นอยู่มองถึงกายอีกมองถึงกายแล้วมองถึงใจมองถึงกายแล้วก็มองภายนอกมองรอบๆด้านจากนั้นก็มองมหากายแล้วก็มองมหาใจ นี่แหละประการปฏิบัติธรรมสรุปแล้วก็คือมันหลงอยู่ที่ใจเท่านี้แล้วเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากใจทั้งหมดเท่านีา้ความหลงมันอยู่ที่ใจตัวอวิชาอาวิชาปัจจัยสร้างข้ารามันเมื่อความรู้มันก็รู้ที่ใจเหมือนกันมันอยู่ที่เดียวกันรู้กับหลงในเมื่อมันรู้ขึ้นมาแล้วกัความหลงก็หมดไปตัววิชาก็หายไปหมดไปแต่สิ่งไหนที่ยังไม่รู้ มันก็ยังปิดปกคุมไว้อยู่นะเหมือนกับเรารู้ภาษาไทยเรารู้ภาษาไทยรู้แล้วนะภาษาไทยความไม่รู้ก็หายไปก็ยังภาษาอังกฤษพอรู้ภาษาอังกฤษพอเรารู้แล้วมันความไม่รู้ก็หายไปมันเป็นเปาะๆ อ, อย่างนั้นแนหะจนถึงรู้แจ้งเห็นจริงหมดทุกอย่าง ประมวลลงมาได้สัพเพสังขาราสัพเพสังขาราทุกข์ขสัพเพสังขาราถึงทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตารู้ทั้งหมดใช่ไเมื่อรู้ทั้งหมดก็ปล่อยวางที่ใจเพรมันรู้ทั้งหมดแหอะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดมันไม่ใช่ของจีรังถาวรของเทียงแท้แน่นอนอจากนั้นก็ปล่อยวางที่ใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะศรทัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานทุกอง เรานั่งสมาธิน่ะจะเน้นนะ